ัะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตสัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะนโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะพุทธังธรรมังสังขังนัมสามมิอากอนอื่นก็ต้องขออภัยนะสำหรับการมาช้าเพราะว่า รถติดมากนะอาตมาเพิ่งมาจากสวนทภูมิแล้วก็รถติดมาตั้งแต่อยู่บนทางด่วนแต่ว่าการที่รถติดอย่างนี้ก็นับเป็นโอกาสดีที่จะได้บาเพ็ญทางจินะอตอาตมาก็มีคาถาหนึ่งนะเวลาอยู่ในกรุงเทพแล้วก็เจอรถติดนะก็คือว่ารถติดแต่จิตไม่ตกรถติดนะมันไม่ได้ทำให้เราทุกข์อะไรมาก แต่ว่าถ้าเราไม่รักษาจิตของเราให้ดีจิตของเรามันตกแล้วเมื่อใดก็ตามที่จิตเราตกเราก็ทุกทันทีเป็นความทุกข์ดีที่อยู่ทํากลางความสบายบนรถนะแต่ว่าเดี๋ยวนีนะ้คนเราทุกเพราะปล่อยจิตหรือวางจิตไม่เป็นก็เลย เกิดความทุกข์ความทุกข์ของคนสมัยนี้มันจะว่าไปแล้วเนี่ยไม่ค่อยเป็นความทุกข์ทางกายเท่าไหร่แต่ว่าเป็นความทุกข์ทางใจไม่เหมือนสมัยก่อนที่ว่าคนเรานีนะ่ต้องเจอความทุกข์ทางกายเยอะเพราะชีวิตไม่สะดวกสบายเพียงแค่จะไปทานาก็ต้องเดินกันเหนื่อยแต่เดี๋ยวนี้เราไม่เหนื่อย แต่เราก็อดทุก์ไม่ได้เพราะว่าใจของเรานั่นเองอยากจะพูดว่าสุขหรือทุกข์ของคนเราเนี่ยอยู่ที่ใจเป็นสำคัญนะอยู่ที่ใจเป็นสำคัญแม้เราจะกินอาหารที่ทำอย่างประณีตทำโดยกุ๊กฝี ม, มือดีที่เขาถือว่าเลอเลิศแต่ถ้าใจเรากังวลจะกังวลเรื่อง บ้านเรื่องครอบครัวหรือกังวลเรื่องเกี่ยวกับการเรียนการงานก็ตามทันทีที่เรามีความกังวลหรือมีความเศร้าเนี่ยมันไม่อร่อยเลยกินข้าวอาหารอร่อยแค่ไหนก็ไม่รู้สึกอร่อยตามไปด้วยคือไม่เกิดความสุขขึ้นมาเพลงที่ไพเลาะแค่ไหนแต่ถ้าเราฟังด้วยใจที่กังวลหรือใจที่เครียดหรือใจที่กำลังกโกรธ ก็ไม่สุกว่าเพียงนั้นเพราะแล้วก็ไม่เกิดความสุขขึ้นเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยสุขของคนเราเนี่ยมันไม่ได้อยู่ที่ว่าเราเสพอะไรเข้าไปแม้สิ่งที่เราเสพนั้นจะเป็นสิ่งที่เลิเลอดีประณีตแต่ถ้าใจเราเป็นกังวลเป็นอกุศลเราก็ไม่มีความสุขในทางตรงข้ามแม้ว่าเราจะอยู่ ท่ามกลางแดดร้อนแม้นะว่าจะเหนื่อยเพราะทํางานออกแรงกายหรือว่าแม้จะเสพกินอาหารที่รสชาติไม่ดีเลยแต่ถ้าใจเรานะกําลังมีความเพลิดเพลินยินดีนะใจเรากำลังมีความสุขเช่นเราก ำ, กำลังกินอาหารอยู่กับคนที่เรารักนะ มันก็อร่อยขึ้นมาได้เพียงแค่ข้าวกับผักต้มหรือข้าวกับน้ำพริกก็กลายเป็นอร่อยนะรู้สึกเกิดสุขขึ้นมาเป็นสุขที่ไม่ได้เกิดจากลิ้นนะจริงๆแล้วจะเกิดจากใจของเราถ้าใจที่เป็นกุศลหรือว่าใจที่เป็นในทางบวกนะพูดแบบ ร, รวมๆเนี่ย บางที่มันมีอนิสงฆ์มากมีอนุภาพมากขนาดที่เรียกว่าเอาชนะความทุกข์กายได้เมื่อเร็วๆนี้เขามีการทดลองนะอาส า, าสมัครมาประมาณหลายสิบคนแล้วก็เขาบอกกับอาสาสมัครว่าเขากาลังการทําการทดลองยาตัวหนึ่งซึ่งเพิ่งผลิตขึ้นใหม่เป็นยาระงับปวดเขาก็ทดลองโดยให้อาสาสมัครเนี่ยนะ ถูกไฟฟ้าเนี่ยจิ้มเข้าไปเมื่อโดนไฟฟ้าจิ้มเข้าไปเนี่ยมันก็จะช็อตแล้วก็ปวดแล้วเขาบอกว่าอยากจะทดสอบยาตัวนี้เนี่ยให้กินยาตัวนี้เข้าไปแบ่งเป็นสองกลุ่มกลุ่มหนึ่งเนี่ยบอกว่ายาตัวนี้ราคา 2, องห้าอีกกลุ่มหนึ่งบอกว่ายาตัวนี้ราคา10เซนนะเสร็จแล้วก็ทําการทดลองโดยให้ไฟฟ้าเนี่ยชอ็อต ปวดแล้วก็แต่ว่าก่อนที่จะช็อตเนี่ยก็ให้กินยาเนยเข้าไปปรากฏว่า 80% อร์ซนของคนที่ได้กินยาราคาสองเาสเขาบอกว่าความปวดลดลงส่วนคนที่ได้ยาราคาส0เซนมีแค่ 60% ที่บอกว่าความปวดมันลดลงและที่น่าสนใจคือว่ายานั่นมันคือแป้งมันไม่ใช่ยาจริงๆ ใช่ไหมแต่ว่ากินเข้าไปเนี่ยที่เคยภาษาฝรั่งเรือก plausible เ, เนี่ยเมื่อมีความเชื่อว่ายานี่เป็นยาที่ระงับปวดได้ปวดกายก็กลายเป็นบรรเทาลงไปความปวดลดลงที่เราลงไม่ใช่เพราะว่าความปวดทางกายมันลดลงนะความปวดทางกายเป็นเหมือนเดิมแต่ใจเนี่ยรู้สึกว่าปวดน้อยลง เพราะไปเชื่อว่ายานี้เป็นยาที่ระงับปวดแล้วก็น่าสนใจคือว่าคนที่ได้รับการบอกว่ายาราคาแพงเนี่ยจะรู้สึกปวดน้อยกว่าคนที่ถูกบอกว่าเป็นยาราคาถูกใช่ไหมของถูกเนี่ยเราก็รู้สึกมันไม่ดีเท่าของแพงเมื่อเราเชื่อของยานี้แพงเนี่ยมันดีเป็นยาที่มีประสิทธิภาพว่าเราเจอปวดจริงๆก็ปวดน้อยลง 80% ใ, ใจเ น, ในี่ยแม้ว่าความทุกข์ของคนเราเนี่ยไอ้ความทุกข์ทางกายเนี่ยมันมีส่วนน้อยแต่ว่าถ้าากว่าใจเราสบายเนี่ยความทุกข์ทางกายอาจจะมีร้อยก็อาจจะลดลงเหลือแค่สามสิบสี่เปอร์เซนในทางตรงข้ามถ้าเราบอกถ้าเรา มีความเชื่อว่ามีความเชื่อหรือมีความรู้สึกอีกแบบนึงคือเกิดความกลัวความกังวลสิ่งธรรมดาธรรมดาก็กลายเป็นอันตรายเป็นโทษขึ้นมาอันนี้คุณหมออมาราก็ไลฟฟังคุณหมออมาราท่านก็เป็นนักวิทยาศาสตร์ท่านก็เล่ามีการทดลองอันหนึ่งโดยใช้นักโทษบอกกับนักโทษว่าขออาสาสมัคร จะมาทําการทดลองน้ํากรดชนิดหนึ่งอยากจะทดลองว่าน้ากรดชนิดนี้เนี่ยซึ่งมีอนุภาพสูงเนี่ยมันจะทําให้คนเนี่อรู้สึกอย่างไรคนจะรู้สึกอย่างไรกับน้ากรดนั้นจะทนทานได้แค่ไหนไม่มีใครอยากจะทดลองแบบนี้แต่ว่านักโทษเนี่ยก็อาสาจํานวนหนึ่งเพราะได้รับการบอกได้มีแรงจูงใจว่าถ้ามาร่วมการทดลองนี้แล้วก็ ก็จะลดลงวิธีการคือว่าให้ให้ให้คุกเข่าแล้วก็เอามือเท้าพื้นนะฮะแล้วก็อยู่ในอยู่ในห้องมีม่านกั้นแล้วก็มีมีหลอดเนี่ยมีท่อเนี่ยยื่นลงมาตรงกลางหลังแล้วก็ปล่อยน้ํากรดนันลงไปสิ่งหนึ่งที่นักวิจัยไม่ได้บอกคือมันไม่ใช่น้ากรดมันคือน้ำธรรมดา แต่ปรากฏว่าพอปล่อยน้ำนั้นลงไปเนี่ยเสียงร้องโอดโอยจะเป็นแถวนะในเวลาไม่ถึงนาทีสองนาทีร้องโอดโอยจกนกระทั่งถึงห้านาทีต้องหยุดและปรากฏว่าไปดูคนไปไปเช็คร่างกายของแต่ละคนเนี่ยมันมีผื่นเหมือนกับเปล็ลมพิษใหญ่บ้างน้อยบ้าง และที่น่าสนใจคือเราก็น่าเศร้าคือมีคนนึงร้องโอดโอยจนกระทั่งบอกว่าขอให้หยุดแล้วก็ช็อกหัวใจหยุดเต้นแล้วตายเขาตายพอน้ําธรรมดานะฮะแต่เขาคิดว่าเป็นน้ํากรดเมื่อคิดว่าเป็นน้ํากรดก็กลัวใชฮะและที่เราน่าสนใจคือว่ามันไม่ใช่เป็นแค่ความรู้สึกทางทางใจ อาการทางกายปรากฏด้วยก็ยคือว่าไอ้ตรงที่ถูกนน้ำนั่นเนี่ยมันก็เป็นมันก็เป็นผื่นมันก็มันก็โดนมแมลงต่อ ย, ค, อยคล้ายๆกับมะกรดูดผิวมันผิวมันบวมเหมือนกับมะกรดูดผิวมะกรดูดเมื่อเอาชิ้นเนื้อไปตรวจก็ปรากฏว่าเหมือนกับโดนมแมลงต่อยเป็นอาการแพ้เหมือนกับมแมลงต่อยนะต่อยหนักด้วย แค่น้ำนะฮะแต่พอเราเชื่อว่ามันเป็นน้ำกรดเนี่ยเราก็ลุกอยู่แล้ววน้าธรรมดามากระทบกระทบหลังกระทบตัวเราเนี่ยมันไม่มันไม่เจ็บหรอกแต่พอคุณเชื่อว่ามันเป็นน้ากรดเนี่ยความเจ็บมันเพิ่มสามสี่คูณสามคูณสี่หรือคูณสิบด้วยซ้าเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องใจเนี่ยสำคัญมากเราคิดว่าใจเนี่ยมันต้องอ่อนอ่อนตามกาย แดดร้อนใจก็ร้อนไปด้วยแต่ไม่เสมอไปบ่อยครั้งเนี่ยกายเนี่ยมันถูกไปกําหนดด้วยใจพอใจเนี่ยไปเชื่อบวกก็ตามลบก็ตามถ้าเชื่อว่าเป็นทางบวกความปวดกายก็ลดลงถ้าเชื่อเป็นถ้าเชื่อหรือวางจิตไปทางลบเช่นกังวลกลัวความปวดกายก็เพิ่มขึ้น อาการต่างๆทางกายก็ทํางานเพราะเราอย่าลืมว่าอาการภูมิแพ้เนี่ยอาการที่แมลงต่อยเนี่ยมันไม่ใช่เกิดจากพิษไม่ใช่เกิดจากพิษของของแมลงจริงๆมันแต่มันเกิดจากภูมิต้านทานของร่างกายที่เข้าไปทําปฏิกิริยาเหมือนกับโรคซาซึ่งที่โรคที่ปอดปอดแย่เนี่ยปอดถูกกินเนี่ยไม่ใช่เชื้อโลมไปกินปอดนะฮะแต่เป็นภูมิต้านทานของเราที่ไปทําลายปอดของเราเอง สืเนื่องจากการที่มีเชื้อเข้ามาที่เป็นตัวแปลกปลอมในสิ่งที่มันเกิดขึ้นจากใจนะฮะอันนี้หมายถึงไม่ใช่ซานะแต่หมายถึงกรณีของการทดลองที่ว่าอาจารย์ประเวศวสีเคยเล่าให้ฟังว่าเคยมีคนไข้คนหนึ่งเนี่ยต้องนอนเปลมาตัวซีดไม่มีแรงนะฮะขณะต้องเดินต้องนั่งต้องนอนเปลมาเป็นผู้ชายกำลังวังชาดีตัวซีดไม่มีแรง อาจารย์ดาวเก็เลยคุยแล้วก็ซักถามคุยกับเขาสักพักสอบถามอาการก็ไปคุยกับแพทย์อินเทอร์นที่มาดูงานมาศึกษาว่าไม่เป็นอะไรหรอกคนไข้คนเนี้ยนะพยาาิปากคอทําให้เลือดจางกินเหล็กก็จะดีระวังดีคืนผูจ้จบดาวเร่ก็หันไปที่คนไข้บอกว่าคนไข้นี่ลุกขึ้นได้ยืนขึ้นมาแล้วก็บอกคุณหมอ ถ้ามันหายง่ายอย่างนี้ผมก็ไม่ต้องใช้ไอ้เปลนี้แล้วละ่ะนะเข็นเปลยไปเลยแรงมาจากไหนฮะที่จริงแรงมีอยู่แล้วอ่ะแต่พอตัวซีดก็เลยเกิดความกังวลล่วงหน้าว่าสงสัยจะเป็นเลวคีเมลละมัง้งสงสัยจะเป็นปอดอะนรจเป็นมะเร็งละมัง้งพอคิดแบบนี้นี่ใจเป็นสุดเลยพอใจสุดเนี่ยแรมก็ไม่มีจริงๆนะแรงคนธรรมดาซึ่งมัน เป็นพิ ญ, ญานี่มันก็ต้องมีแรงอยู่แล้ว่แต่พอใจนี่ไปเคีือบเป็นมะเร็งเข้าไปเนี่ยหรือไปเคลืยบเป็นโรคร้ายเนี่ยมันสุดเลยนะฮะกายเนี่ยสุดเลยแต่พอรู้จักหมอว่าไม่เป็นอะไรกินเหล็กก็จะดีวันดีคืนเพราะเป็นแค่พิ ญ, ญาปากคอเรื่องแรงก็กลับมานะทั้งหมดตัวอย่างที่พูดมาเนี่ยเพื่อที่จะชี้ว่าสุขหรือทุกขคนเราเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันอยู่ที่ใจเป็นสําคัญเลยนะฮะ และตัวเห็นนี้เองที่เราควรจะให้ความสำคัญกับใจของเราแล้วการให้ความสคัับใจของเราเนี่ยเราทำได้หลายวิธีเช่นการรู้จักทำใจให้สงบแต่วิธีหนึ่งที่สำคัญมากคือการพยายามที่เราจะรู้ใจของเราอยู่เสมอการรู้ใจเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญเพราะถ้าเราไม่รู้ใจเนี่ยใจหรืออารมณ์ ความรู้สึกลวนทั้งความคิดด้วยมันก็จะเข้ามาครองชีวิตของเราแล้วก็อาจจะทำให้เราทุกข์เราเจ็บเราปวดไปตามอำนาจของมันก็ได้การรู้ใจเนี่ยเป็นเรื่องสำคัญมันเป็นส่วนของการมันเป็นคุณสมบัติที่หาได้ยากในสัตว์ชนิดอื่นยกเว้นมนุษย์ เดี๋ยวนี้เรารู้แล้วว่ามีสัตว์จํำนวนมีหลายชนิดที่รู้ตัวรู้ตัวนี่ภาษาฝรั่งเรียกว่า self awareness รู้ตัวในแง่ที่ว่าเห็นหน้าตัวเองในกระจกแล้วเนี่ยบอกได้ว่านี่นี่คือตัวเองไม่ใช่สัตว์ชนิดอื่นคนถ้ายุตั้งแต่18เดือนขึ้นไปเห็นหน้าตัวเองในกระจกบอกได้ว่านี่คือตัวเองไม่ใช่เด็กคนอื่น ตั้งแต่สิบเดือนขึ้นไปจะเกิดความรู้สึกว่ารู้ตัวขึ้นมาแต่ทีนี้ว่าเขาก็พบว่าสัตว์ชนิดอื่นก็มีเหมือนกันมันไม่ใช่เป็นไม่ใช่มนุษย์เท่านั้นที่รู้ตัวหรือมีความสามารถในการรู้ตัวช้างเขาทดลองเอาเอาเอาป้ายสีแดงๆนี่มามาอยู่ตรงหน้าผางเนี่ยแล้วก็ให้ช้างเนี่ยดูกระจกช้างเห็นกระจกเนี่ยก็ต้องเห็นว่าข้างหน้าเนี่ย มันมีช้างตัวหนึ่งซึ่งมีสีแดงๆอยู่ข้างหน้าช้างแทนที่จะเอางวงเนี่ยไปไปจับไปแตะที่ที่กระจกช้างกับเอางวงเนี่ยมาแตะที่หัวของตัวเองที่มีสีแดงๆก็แสดงว่าช้างเนี่ยมีความสามารถในการรู้ตัวรู้ว่าไอ้ที่นไอ้่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคือมันไม่ใช่ตัวอื่นลิงที่ไม่มีหาง เช่นชิมแปนซีอุรังอุตังกอริลลาทำได้แต่ลิงกังลิงสมแอทำไม่ได้แล้วก็ยังเชื่อด้วยว่าปราวานหรือว่าปราโลมา ก, ก็จะทำเช่นนี้ได้แต่เนื่องจากมันไม่มีมือก็เลยยังไม่รู้จะทดลองอยังไงเพื่อที่จะให้มันถ้ามาดูกระจกแล้วมันสามารถที่จะบอกได้ว่าไ อ, ไอ้ปุ่มสีแดงๆที่อยู่บนหน้าผ่านี่คือปุ่มที่อยู่บนหน้าผาของตัวเองไม่ใช่ ของสัตว์อื่นยังไม่รู้แต่ว่าสองสัตว์ชนิดนี้ชอบเล่นกระจกมากสัตว์เขารู้มีความสามารถในการรู้ตัวแต่ว่าสัตว์นั้นเนี่ยไม่สามารถจะรู้ใจได้อย่างน้อยเท่าที่เรามีหลักฐานเวลานี้แต่มนุษย์เราเนี่ยมีความสามารถในการรู้ใจเรารู้ใจคือเรารู้ความรู้สึกนึกคิดของเราเรารู้อารมณ์ของเราแต่ว่าทุกวันนี้เนี่ย เราได้ใช้ความรู้ตรงนี้น้อยมากเพราะว่าเราไปสนใจกับเรื่องภายนอกเยอะจนกระทั่งลืมเข้ามาดูใจของเราและสุดท้ายเราก็ปล่อยให้ใจเนี่ยมันชักพาเราไปมันพาเราไปทุกข์มันนำเราไปสู่ความโศกความเศร้าเรื่องที่จามาบอกว่าเวลานี้คนเราเนี่ยทุกข์เพราะใจเยอะและส่วนใหญ่เป็นการทุกข์เพราะความคิดปรุงแต่ง เราทุกใจจกนกระทั่งนอนไม่หลับเพราะเราโกรธเราเศร้าหรือแม้กระทั่งเราคิดฟุ้งซ่านจนหยุดไม่ได้คนเวลานี้เนี่ยคิดเก่งแต่ก็ปล่อยให้ความคิดนั้นเนี่ยเข้ามาครอบงำจิตของตัวเองจงกนกระทั่งหยุดคิดไม่ได้เราเก่งในการคิดแต่เราไม่รู้ว่าจะวางความคิดหรือเราจะหยุดคิดได้อย่างไร เพราะทุกวันนี้ไปให้ความสําคัญกับารคิดเก่งแต่ลืมไปว่าการหยุดคิดหรือการวางความคิดก็สําคัญคนที่คิดเก่งแต่หยุดคิดไม่ได้หรือวางความคิดไม่ได้เนี่ย mm hmm. ก็เปลี่ยมเหมือนกับรถที่แม้จะเครื่องเร็วเครื่องแรงแต่ไม่มีเบรกนะเราอยากจะนั่งรถแบบนี้ไหมถึงแม้ว่ามันจะยี่ห้อเบนซ์ uh, bend, หรือว่าโรลส์รอยส์ก็ตามแต่ถ้าเบรกมันเสีย เราก็คงไม่อยากเป็นเจ้าของหรือว่าแม้กระทั่งจะนั่งรถแบบนี้แต่เนี่ยคือสิ่งที่กาลังเกิดขึ้นกับใจของเราเป็นส่วนใหญ่เวลานี้ฉะนั้นจะเป็นอย่างยิ่งที่เราจะต้องมารู้ใจของเราให้มากขึ้นและจริงๆแล้วเนี่ยอย่างที่ธรรมมาบอกคือคนเรา ม, มีความสามารถในการรู้ใจของเราแต่เนื่องจากเราเราปล่อยให้ใจของเราเนี่ยมันปรุงแต่งไปต่างๆนาน า, น า, น า, นานแล้วเราก็เลยทุกข์เพราะ ความคิดของเราทุกวันนี้คนเราทุกข์เพราะความคิดมากนะฮะคนี้การรู้ใจนี่มีความหมายว่าอย่างไรความหมายอย่างแรกคือการรู้อารมณ์ความรู้สึกและความคิดนึกเมื่อเกิดความทุกข์ขึ้นเกิดความโกรธขึ้นเกิดความกังวลขึ้นเรารู้ทันและเมื่อเรารู้ทันแล้วเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือว่าเราก็จะวางความ ความรู้สึกนึกคิดนั้นได้หรือความรู้สึกนึกคิดนั้นก็จะบรรเทาเบาบางลงไปแต่เมื่อใดก็ตามที่เราไม่รู้ทันความนึกคิดหรืออารมณ์ความรู้สึกเรานั้นเนี่ยมันก็จะเข้ามาเป็นใหญ่นะอาตมาก็ยกตัวอย่างเช่นกินไม่ได้นอนไม่หลับหรือบางทีเนี่ยมันไานทําให้เราทาในสิ่งซึ่งเป็นโทษกับตัวเราเองมีเจ้าของบ้านหลังหนึ่งเนี่ยบ้านเนี่ย อยู่ริมถนนแล้วก็บ้านมีอนาบริเวณมีกําแพงแต่อเผอิญถนนนั้นเนี่ยมันเป็นทางผ่านของนักเรียนอาชีวะสองโรงเรียนอาชีวะกับมัธยมเราก็คงทราบอยู่แล้วว่านักเรียนอาชีวะกับมัธยมบางทีก็เป็นอะไรกันยิ่งอยู่ใกล้กันเท่าไหร่ก็ยิ่งเป็นอะไรกันนะ แต่ถ้าเป็นนักเรียนหญิงนักเรียนชายเนี่ยก็จะเป็นคู่รักกันได้ง่ายแต่ถ้าเป็นเพศเดียวกันจะเป็นอริกันเป็นส่วนใหญ่ถ้าอยู่ในถนนเดียวกันหรือในละแวกเดียวกันและสิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือว่ากำแพงกำแพงบ้านหลังนี้ก็กลายเป็นสมรสมรภูมิในการประกาศศึกของนักเรียน2อฝ่ายก็ ค, คือมีการฉีดสีพ่นสเปรย์กันว่าปตอชอเป็นพ่อของกอนอสอ อะไรทํานองนี้เจ้าของบ้านทํางไงฮะเจ้าของบ้านก็ต้องมาทาสีทับอยู่เรื่อยๆเจอเหตุการณ์่งนี้บ่อยเข้าก็เลยปักป้ายว่าปักป้ายว่าขอความเห็นใจว่ากรุณาอย่าพ่นสีบนกําแพงวันต่อมาก็บอกว่าสีนั้นเนี่ยป้ายนั้นเนี่ยก็ถูกพ่นสีจนดํา มืดไปหมดและกำแพงก็ยังมีสีเหมือนเดิมเจ้าของบ้านก็เลยเอาป้ายมาปาักใหม่คราวนี้พูดจ่ายมาหนักแน่นว่าผู้เจริญย่อมเคารพทรัพย์สินของผู้อื่นเริ่มทีแรกขอร้องนะฮะตอนนี้บอกว่าผู้เจริญย่อมเคารพสิทธิของผู้อื่นสิทธินในทรัพย์สินของผู้อื่นป้าย น, นั้นก็หักวันลุ่งขึ้นโกรธนะ ตอนนี้ปิดใต้ใหม่อ้างกฎหมายเลยนะจดะดำเนินคดีทางกฎหมายกับผู้ที่ฉีดสีพ่นสเปรย์บกนกำแพงเรียบร้อยนะป้ายนี่ก็ไม่เหลือเพราะเจ้าของเนี่ยพยายามพูดแล้วดีแล้วพูดให้ดีแล้ว ด, ดีแล้ ว, ลวก็ไม่ไม่ได้ผลนะเริ่มโมโหหงุดหงิดนะมากขึ้นเรื่อยๆเรยพราะแกต้องมาคอยทาสีทับอ่ ลอยสเปรย์นะั่นอยู่อยู่เสมอๆแกะมะโมโหตัวรทั่งไม่รู้จะทำอย่างไรแล้ววันหนึ่งแกก็ถือกระป๋องแล้วก็เขียนบนกำแพงนั้นอักษรตัวโ ต, ว, ต ว, ว่าใครเขียนเป็นหมานะตัวลงใครเป็นหมาตัวแรกความกโกรธฮะโกรธพูดดีๆก็แล้วไม่ได้เรื่องก็ต้อง ทางกฎหมายแล้วก็ไม่ได้ผลก็เลยต้องด่าก็แล้วคราวนี้หมายจะด่าคนอื่นนะฮะสุดท้ายมันเข้าตัวเองเพราะอะไรฮะเพราะว่าไม่รู้ทันความโกรธคนเราพอไม่รู้ตัวแล้วเนี่ยเราตั้งใจจะไปทำร้ายคนอื่นน ะ, ะแต่มันทำร้ายตัวเองเราต้องการจะประจานคนอื่นแต่มันกลายเป็นการประจานตัวเอง มีคนหนึ่งกกอยู่ในไปดูหนังในใ น, ในโรงหนังนะฮะหนังกำลังหนังกำลังจะได้รถได้ชาตินะมีเสียงคุยจากข้างหลังผู้หญิงกับผู้ชายเสียงคุยกันหมดอารมณ์ในการดูหนังเลยฮะแต่ว่าเขาก็ไม่เลิกก็พยายามพยายามคนที่อยู่ข้างหน้าก็พยายามพยายามมองไปชำเลืองไปเพราอให้เป็นสัญญาณ ว่าเสียงที่เขาพูดมันลบกวดแทแต่ก็ไม่หยุดนะเดี๋ยวก็มีเสียงโทรศัพท์มาเดี๋ยวก็กินนะดังจุดจับจุบจั บ, จบหนังซึ่งกําลังเป็นหนังที่ต้องใช้อารมณ์ความรู้สึกปรากฏว่ากระเจิงเลยฮะดูไม่รู้เรื่องเพราะความโกรธความไม่พอใจแล้วแกทําไงฮะพอแกโกรธ ม, มาถึงขั้นหนึง่งแกลุกขึ้นมาเลยนะ แล้วก็ชี้หน้าสองคนนั้นบอกว่าพูดคุยกันเสียงดังนะรบกวนคือเหนือไปหมดเลยพูดเสียงดังนะบอกว่าใครรบกวนใครที่รบกวนมากที่สุดนะคนดูนะเขาก็ซิกขาซ่ากันแต่เจ้าตัวคนที่ดา่าคนที่กะซิบกระซ า, าเนี่ยพูดเสียงดังมันเลยเพราะว่าคนทั้งโรงได้ยินหมดเลยว่าเขาด่าอะไรกันเพราะอะไรฮะเพราะโกรธนี่ฮะพอโกรธแล้วเนี่ยอยากจะไปเล่นงานเขา เพราะพูดเสียงดังไม่อยู่ในความสงบแต่เนื่องจากไม่ดูจิตดูใจของตัวเองเนี่ยก็เลยกลายเป็นว่าว่าเขาแต่สุดท้ายก็เป็นการประจานตัวเองอย่างที่เขาว่าว่าแต่เขาอีนอเป็นเองและหนักกว่าด้วยเพราะว่าตะโกนกันตะหวาดกลางลงหนังเลยนี่เห็นไหมคือเราเคยเป็นอย่างนี้บ้างหรือเปล่านะฮะคือเวลาเราคิดจะเล่นงาน หรือเวลาเรามองว่าคนหนึ่งเขาเป็นปัญหาเนี่ยเราหรือพอเราลืมมองตัวเราเองว่าเรากำลังพุ่งพลาอยังไงบ้างเนี่ยเรานั่นแหละที่กลายเป็นตัวปัญหายิ่งกว่านะความไม่รู้ตัวความไม่รู้ทันในอารมณ์ความรู้สึกเนี่ยมันสามารถจะประจานตัวเราได้หรือสามารถจะทำให้เราถล่าและอารมณ์เหล่านี้เนี่ยนะฮะ ถ้าเราไม่รู้ทันมันแล้วเนี่ยเราก็จะจมลงไปจมลงไปลงจมลงไปคนเราไม่ได้เพลิดเพลินกับอารมณ์ที่น่ายินดีเท่านั้นนะฮะอารมณท์ที่ไม่น่ายินดีเนี่ยมันก็มีรสชาติให้ชวนเพลิดเพลินเหมือนกันนะเวลาคนเราโกรธเนี่ยมันไม่สนคนเขาไม่จะไม่สนใจอย่างอื่นเลยนะฮะจะสนใจแต่คุ้นคิดในอารมณ์ที่โกรธนะ เวลาเศร้าก็เช่นเดียวกันเวลาเศร้าเนี่ยก็จะจมอยู่ในความเศร้าบ่งที่คนมาชวนไปไหนก็ไม่ยอมไปนะจะอยากจะจมอยู่ในความเศร้าอย่างที่มีเพื่อนคนนึงเขาเล่าให้ฟังว่าเขาเศร้ามากเลยที่เขาได้รับจดหมายจากเพื่อนเหมือนกับปฏิเสธความรักของเขาเศร้าซึมอยู่ในบ้านหลังจากที่ได้อ่านจดหมาย พอดีขนาดนั้นเองก็มีเพื่อนกดกริ่งที่หน้าบ้านแล้วก็เรียกชวนไปเที่ยวไปเที่ยกันนะแทนที่ดีใจนะผู้หญิงคนนั้นแกฉุนงุดอีกขึ้นมาเลยนึกขึ้นมาในใจเวลาสุขก็ไม่สมหวังแก ค, คิดอย่างเงี้ยเวลาสุขก็ไม่สมหวังเวลาทุกขยังมีคนมาหลังควานอีกยังมีคนมาขัดขวางอีกนะคนเราเวลาอยู่ในวเวลามันทุกเนี่ยมันญ่จมอยู่ในความทุกข์ ทำไมฮะในเมื่อความทุกเนี่ยมันกัดกร่อนจิตใจความโศวความเศร้าหรือความกลัวมันกัดกร่อนจิตใจไทยทำไมเรายัางคลุ่นคิดต่อมันเพราะเราเผลอฮะเพราะเราไม่รู้ตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยการความรู้ตัวเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญที่จะทำให้เราปรเปิดเปลืองใจจากอารมณ์ได้และถ้าเราไม่รู้จักปเปิดเปลืองใจจากอารมณ์เนี่ยเรื่องเล็กในใน้อยเนีย่นย มันก็จะกลายเป็นการปรุงแต่งให้เป็นสายยืดยาวเพียงแค่มีสือไม่กี่แม่มนใบหน้านี้ก็นอนไม่หลับหรือฆ่าตัวตายก็ได้มีนะฮะมีเดี๋ยวนี้เราจะพบวการฆ่าตัวตายเนี่ยเกิดขึ้นด้วยสาเหตุที่ไม่ได้ใหญ่โตอะไรเลยเป็นเรื่องเล็กน้อยแม่ไม่ซื้อโทรศัพท์มือถือให้นี่เรื่องที่เราเห็นไม่มีค่าเราเรียน ไปเรียนต่อหมอเยไลจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่ใช่ว่าไม่มีเงินไปเรียนหมอเทไลนะฮะแต่จริงๆเพราะว่าแม่เนี่ยมีเงินหรือหาเงินเรียนให้กับคนอื่นให้กับพี่ชายพี่สาวแต่ถึงข่าวของตัวเนี่ยแม่บอกไม่มีเงินให้ปัญหาไม่ได้ที่ว่าไม่มีเงินเรียนนะแต่น้อยเนื้อต่ำใจแม่ว่าทาไมแม่ไม่มีเงินให้เราแต่มีเงินให้กับพี่ชายพี่สาวเรียนต่อหมอเทไลได้ ความสื่อแบบนี้เนี่ยมันก็กัดกร่อนจิตใจจนกระทั่งสามารถที่จะทำลายตัวเองได้มันไม่ใช่เรื่องใหญ่นะฮะแต่พอปรุงแต่งไปว่าพอถูกแม่ปฏิเสธว่าแม่ไม่มีเงิน <c oughs> ก็จะปรุงแต่งไปสืบสาไปขุดคุย้ยเอาเรื่องต่างๆว่าแม่ไม่รักเราแม่รักพี่แม่รักพี่ชายแม่รักพี่สาว จริงบ้างไม่จริงบ้างแต่ไปขุดคุยขึ้นมาปรุงแต่งจากเรื่องที่เป็นเล็ก ๆ, น, ๆน้อยเนี่ยก็ปรุงแต่งกันเป็นเรื่องใหญ่มันเหมือนกับสเก็ดไฟจากไม้ขีดเนี่ยหรือว่าจากสเก็ดไฟที่กระเด็นลงมาเปลวมาจากจากเขาลูกอื่นอาตมาอยู่อยู่ป่าเนี่ยมันจะมีปรากฏการณ์คือว่าบางทีเขาลูกไกลๆเนี่ยก็มีไฟลุกขึ้นมาแล้วก็สเก็ดมันก็เปลวมา สเก็ตเล็กๆ เ, เนี่ยสเก็ตไฟเนี่ยปลิวมาตกในป่าที่อาตมาอยู่สเก็ตเล็กๆนี่แหละฮะมันกลายเป็นไฟป่าที่ใช้เวลาเป็นวันสองวันกว่าจะดับได้เพราะมันโหมกระพือแรงมากมันเริ่มต้นจากจุดเล็กๆคือสเก็ตไฟซึ่งกระเด็นมาจากที่ไกลๆใจของพวกเราก็เป็นอย่างนี้นะฮะก็คือว่าพอมันปรุงแต่งมันยาวไปแล้วเนี่ยมัน มันโหมกระพือจนกระทั่งเอาไม่อยู่แต่ถ้าเกิดว่าเราเริ่มดับไฟตอนที่มันเป็นแค่สะเก็ดไฟเล็กๆหรือตอนที่มันยังไม่เป็นย่อมเล็กๆเนี่ยเราก็จัด ก, การได้เพราะฉะนั้นเนี่ยการรู้ตัวการรู้ทันอารมณ์ความรู้สึกความนึกคิดของเราเนี่ยโดยเฉพาะเวลามันเป็นทุกข์หรือเป็นอกุศลเนี่ยเป็นสิ่งจําเป็นมาก เรารู้ทันได้พ่อและเรารู้ทันได้ด้วยละเราเรารู้ทันได้ดวยสติสติคือความระลึกได้ซึ่งนำไปสู่ความรู้ตัวสติมีความหมายอะไรแง่สติหมายถึงความจำได้เราสอบเวลาเราไปสอบเนี่ยเราใช้สติมากเพื่อที่ระลึกได้ว่าสูตรนี้มันเขียนว่าอย่างไรคำนี้แปลว่าอะไรเช่นเดียวกับเวลาเราจะ นึกถึงโทรศัพท์ของเพื่อนแล้วก็จำเบอร์นี้ได้ว่า น, นี่คือเบอร์โทรศัพท์ของเพื่อนแต่ว่าสติมีความหมายละเอียดไปกว่า น, นั้นยังหมายถึงความระลึกได้เวลาเราเผลอเผลอไปแล้วระลึกได้ขึ้นมาดูหนังเพลินจนระลึกได้ขึ้นมาว่าเรามีนัดกับเพื่อนอ่านแฮร์รี่พอตเตอร์จนเพลินแล้วก็ระลึกได้ขึ้นมาว่าได้เวลานอนแล้วนะหรือว่า หรือว่าตั้งตั้งน้ำเอาไว้ก็ไปไปดับหรือว่าไปยกน้ําออกจากเตาความระลึกได้ตรงนี้นะสติที่ไวคือสติที่ระลึกได้และมันช่วยทําให้เรารู้เท่าทันและสังเกตนะฮะคนเราทุกเนี่ยส่วนใหญ่เราทุกเพราะสองเรื่องฮะเรื่องที่เป็นอดีตกับเรื่องที่เป็นอนาคต เวลาเราทุกข์เพราะของหายเวลาเราทุกข์เพราะถูกตำหนิเวลาเราทุกข์เพราะแฟนเขาตีจากเราแม้ว่าเราจะอยู่ในคลือหาดหรือว่าอยู่ในปราสาทหรือว่าอยู่ในรีสอร์ทแต่เราก็ทุกข์ฮะเพราะใจเราไปนึกถึงเหตุการณ์เหล่านั้นหรือไม่เราก็ทุกข์กับเรื่องอนาคต ความกังวลความทุกเวลารถติดเนี่ยคือเรื่องนี้โดยตรงเวลารถติดเนี่ยเราทุกเนี่ยเราไม่ได้ทุกเพราะอกาศมันร้อนเราไม่ได้ทุกเพราะรถมันร้อนเราไม่ได้ทุกเพราะที่นั่งเนี่ยมันแข็งกระด้างแต่เราทุกเพราะใจเราลอยไปข้างหน้าแล้วว่าไม่ถึงสักทีเมื่อไหร่จะถึงเมื่อไหร่จะถึงไอ้คำเมื่อไหร่จะถึงเนี่ยคือความกังวลในเรื่องที่มันเป็นอนาคตเพราะเราจะปรุงแต่งต่อไปว่าถ้าไปถึงชาติจะเกิดอะไรขึ้นตามมาแล้วก็ทําให้เรา มีทุกข์มีกังวลคนเราส่วนใหญ่เนี่ยทุกข์เพราะสองเรื่องนะฮะซึ่งม่ทําให้เรากินไม่ได้นอนไม่หลับทําให้เราแม้ว่าจะเราจะกินอาหารอร่อยแค่ไหนเราก็ไม่รู้สึกอร่อยไปด้วยแต่ถ้าเรามีสติรู้เนี่ยว่าเราไปอยู่กับอดีตแล้วอนาคตอดีตมันผ่านไปแล้วแก้ไม่ได้อนาคตยังมาไม่ถึงเมื่อเรามีสติรู้ระวางเราก็จะพบว่าที่เป็นอยู่เราก็พระความสุขมันก็หาได้ไม่ยากแต่ทุกวันนี้เราคูดว่ามันสุข หาได้ยากทุกข์เหลือเกินเพราะใจเนี่ยมันเผลอไปคิดเรื่องอดีตกับเรื่องอนาคตแต่ถ้าเรามีสติเมื่อไหร่เนี่ยเราก็จะเราก็จะรู้แล้วเราก็จะทุกทรมานกับอดีตและอนาคตน้อยลงแต่ก็มีเหมือนกันนะว่าเวลาเราอาจจะไม่ทุกข์เรื่องอดีตเรื่องอนาคตแต่เรากลังทุกข์กับปัญหาที่กลาลังเผชิญหน้าอยู่กับปัจจุบันเช่นความเจ็บความป่วยความไข้ อันนี้เป็นเรื่องเฉพาะหน้าเจองานที่กำลังยากแสนสาหาัสแต่ลองสังเกต น, นะฮะไอ้สิ่งที่เรารเผชิญเฉพาะหน้าเนี่ยเผชิญอยู่ในขณะปัจจุบันเนี่ยจริงๆที่มันทำให้เราทุกข์เนี่ยไม่ใช่เพราะตัวสิ่งที่เรารเผชิญอยู่แต่เพราะใจเรานั่นแหละที่ไปมีปฏิกิริยาต่อต้านขัดขืนผลักไสมัน คนเราเนี่ยพอใจเนี่ยมันไปต่อต้านมันผลักสายมันขัดขืนแล้วเนี่ยความทุกข์มันท่วมท้นเลยแล้วเราก็ไปคิดว่าเป็นเพราะไอ้สิ่งที่เราเผชิญอยู่ตอนหน้าแต่ไม่ใช่นะแต่เป็นเพราะใจของเราอย่างตัวอย่างที่อาตมาที่คนคนไข้ที่เขาที่เขาเป็นแค่พยาธิปากคอแล้วเขาตัวเขาซีดเนี่ยเขาอ่อนแรง แต่เขาเกิดความตื่นตระหนกยิ่งเขาปรุงแต่งว่าเป็นมะเร็งเนี่ยยิ่งต่อสู้ยิ่งขัดขืนพอยิ่งต่อสู้ยิ่งขัดขืนเนี่ยมันก็ปรุงแต่งมากเขาก็ทำให้เป็นทุกข์เขาจะรู้สึกดีขึ้นทันทีถ้าเขาวางใจเป็นกลางกับสิ่งนั้นหรือว่ายอมรับมันเวลาเราเจองานหนักเนี่ยซึ่งไม่ใช่เป็นงานของเรา เรากาลังจะออกออกกลังจะกลังจะกลับบ้านอยู่แล้วเจ้านายให้งานมาซึ่งไม่ใช่เป็นงานของเราเราสึกทุกข์ขึ้นมาเลยเรารู้สึกทุกข์รรกกว่ามันไม่ยุติธรรมทำไมต้องเป็นชั้นและความรู้สึกนี้เนี่ยมันก็จะทำให้งานที่เกิดขึ้นเนี่ยกลายเป็นงานที่ยากที่ลำบากแต่ความยากขรรมบากไม่อยู่ที่งานนะมนีที่ใจเราเพราะใจเราต่อสู้ขัดขืนดิ้นรนลอง ถ้าเรามีสติรู้ทันนะเราก็จะเลิกบ่นเลิกตีโพยตีพายและเมื่อ น, นั้นเราก็จะรู้ว่ามันก็ไม่ใช่เป็นเรื่องยากทำได้สบายมากแต่ใจที่บ่นก็ปลอยกระแปรว่าไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวไม่ไไมยุติธรรมทำไมต้องเป็นชั้นทันทีที่คุณมีความสื่อแบบนี้เนี่ยไม่ว่าคุณเจออะไรก็ตามคุณจะถูก ท, ทันทีแม้สิ่งนั้นจะเป็นเรื่องเล็กน้อยก็ตามและเราก็เผลอไปนึกว่า เป็นเพราะไอ้สิ่งที่เราเจอข้างหน้านี่แหละที่มันทําให้เราทุกข์แต่ไม่ใช่มันเป็นที่ใจเราต่างหงพอเรากังวลพอเรากลัวเนี่ยความทุกข์มันเพิ่มขึ้นเดีย๋ยวมีคนเขาบอกว่ามีคนเขาศึกษาว่าเวลาคุณจะฉีดยาเนี่ยถ้าคุณไปกังวลไปกลัวกับเข็มที่มันจะทิ่มคุณเนี่ย ทันทีที่มันทิ่มคุณเนี่ยความเจ็บจะเพิ่มขึ้นเป็นสามเท่ามันคูณสามเลยนะฮะพราะใจที่มันกลัวใจที่มันปฏิเสธใจที่มันผลักไสแต่ถ้าเรารู้ทันอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้เนี่ยและวางใจให้เป็นกลางยอมรับมันมันก็จะกลายเป็นเรื่องที่พอทนได้หรื อ, อยุ่ยงง่ายๆ ย, ยุงกัดเวลาเรานั่งสมาธิถ้าเราไม่ได้นั่งในห้องแอร์เนี่ยบางทีมันก็มียุงมากัด เวลายุงมันมาแตะที่ตัวเราเนี่ยเราเราจะเผลอมีปฏิกิริยาขยะขยแยงหรือว่าความรู้สึกกลัวขึ้นมาว่ามันจะว่าเราจะเจ็บและพอมันทิ้งไปเจ็บจริงๆนะฮะแต่ถ้าเราสื้ว่าเออมันมันมันน้อยกว่าเข็มฉีดยาซะอีกเราไม่ปฏิเสธไม่ผักสยเรายอมรับมันวางใจเป็นกลางบางทีลืมไปเลยนะฮะ ว่ามันมันกำลังมันกําลังจะทิ้มแทงเราหรือถึงคันก็คันแบบเบาๆความทุกขคนเราเนี่ยนะส่วนหนึ่งอย่างที่จะมาบอกไปอยู่กับอดีตแนาคตอีกส่วนมังไปเกิดจากการที่ผลักสายต่อต้านกับปัจจุบันสิงที่เกิดขึ้นปัจจุบันแต่ถ้าเรายอมรับมันเนี่ยสิ่งที่เราเกิดขึ้นอย่างนี้คือใจจะสงบลงแม้บางครั้งสิ่งที่เผชิญนั้นจะคุกคามชีวิตเราก็ตาม มีเพื่อนคนหนึ่งเขารล่าฟังนะฮะเขาไปไหว้น้ำที่สมุยแล้วก็ไหว้ไปไปเขาสังเกตว่าเขาห่างกลักห่างจากฝั่งไกลออกไปไกลออกไปเขาก็ตกใจะฮะเพราะคลื่นมันตีออกตีออกเขาทำไงฮะเขาตกใจเขาก็รีบไหว้เข้าฝั่งแต่ยิ่งไหว้เข้าฝั่งเขาก็ยิ่งถูกคลื่นตีออกไปแล้วเขาก็เหนื่อย ยิ่งไหวยิ่งเหนื่อยแต่เขาได้สติขึ้นมาเขาสึกว่าองสาไม่ไหวแล้วเขาวางเลยฮะเ็ปล่อยเลยตอนนั้นเขาจะคิดอยู่ในใจว่า อ, อาจจะต้องตายแล้วก็ได้พอเขาวางเนี่ยพอเขาสงบลงเนียฮะแล้วปรากฏว่าทีลน้อยทีลน้อยเนี่ยเขาก็พ่อตัวเองเนี่ยค่อยๆเข้าใกล้ฟังเพราะว่า พอไปถึจุดหนึ่งเนี่ยมันก็จะมีคลื่นพาเขาเข้าฝังแล้วเพื่อนเห็นเนี่ยเพื่อนที่แรกไปช่วยก็ช่วยไม่ได้นะเพราะว่าวิ่งยว่ายน้ำไปช่วยเนี่ยก็ยิ่งตีห่างออกไปจนกระังเพื่อนต้งองอ้อต้องตีกลับต้องว่ายกลับแต่พอรู้ว่าเขาค่อยๆเคลื่อนกลับเข้ามาเนี่ยก็เข้าไปช่วยได้เขาว่าตอนนั้นก็สงบมากแล้วมีคนหนึ่งเขาไล่ฟังนะตอนที่เขากําลังขับรถบนทางด่วนเนี่ยอย่างเร็วนะฮะ มันเป็นช่วงนึงเป็นช่วงที่มันเป็นทางโค้งนะฮะแล้วพอเขาผ่านทางโค้งไปได้เนี่ยเพราะว่าข้างหน้านเนี่ยมันรถติดเป็นแพรเลยเขาก็เริ่มชะลอเริ่มเหยียบเบรกแต่พอเขามองไปข้างหลังเนี่ยไอ้รถข้างหลังเนี่ยมันไม่ชะลอเลยตรงเข้ามาเต็มที่เลยนะฮะเขารู้ทันทีแล้ว่าเขากำลังจะถูกอัดก๊อปปี้และความเร็วของรถท้งของเขาเอง และของขันหลังซึ่งแรงซึ่งเร็วกว่าเนี่ย mm. เขาไม่น่ใจแล้วเขาจะรอดหรือเปล่าตอนที่เขาตอนที่เขารู้รู้ตัวเขาจะไม่รอดเนี่ย mm. เขาสังเกตว่า mm. มือที่ของเขาที่กำพวงมาลายเนี่ยมันกำแน่นมากแล้วเขาได้คิดขึ้นมาที่ว่าเขาเนี่ยเครียดแบบนี้เกรงแบบนี้มาเกือบทั้งชีวิตแล้วถ้าถึงจะทยะตายฉันเขาตายแบบสบายสักที แปล่อยเลยนะฮะปล่อยมือที่เกรงคือแกยอมรับเลยว่าเตรยมตัวตายแล้วยอมรับโดยเดืดีเลยไม่ขัดขืนฮะแล้วตอนนั้นแกนิ่งมากเลยนะฮะแล้วความสุดท้ายคือว่าเสียงดังสนั่นพวกแกไม่ตายฮะรถพังยับเยินซึ่งดูสภาพแล้วเนี่ยไม่น่าจะรอด แต่ว่าตำรวจเนี่ยก็ช่วยเขาออกมาได้แ ล, ล้วตำรวจบอกว่าพอตำรวจฟังเหตุการณ์เนี่ยเขาบอกว่าถ้าคุณเกรงตอนนั้นเนี่ยคุณตายไปแล้วเพราะคุณจะรับน้ําหนักแรงกระแทกเต็มที่แต่พอคุณปล่อยเนี่ยมันก็เหมือนกับต้นอ่อนเนี่ยฮะหรือเหมือนกับตึกในในตึกในญี่ปุ่นที่มันโอนอ่อนได้เนี่ยเจอแผ่นดินไหวก็ไม่พังพอทําตัวอ่อนเนี่ยปล่อยวางคลายเนี่ยมันก็ผ่อนน้าหนักที่กระแทกเขาก็ไม่คอหัก แต่สิ่งนี้ที่เขาบอกว่าเขาบอกหลังจากเหตุการณ์เขาช่วยเขเปลี่ยนไปเลยฮะพราะเขาเขาจุดเปลี่ยนคือเขาเมื่อเขารุกเขาจะต้องตายหรือเขาเชื่อเขาจะต้องตายเนี่ยเขาไม่ต่อสู้เขาไม่ขัดขืนนะเขายอมรับแล้วเขาปล่อยวางแต่การที่เขาจะทำเช่นนั้นได้เพราะเขารู้ตัวด้วยนะฮะว่าเขากำลังเครียดกำลังเกร็งนะไอ้ช่วงขณะเพียงแค่แวบไม่กี่วินาทีที่มีความรู้ตัวแล้วก็ยอมรับปล่อยวางได้เนี่ย มันทำไมเขารอดตายได้ในประเด็นที่ตมาจะเน้นเนี่ยก็คือว่าคนเราเนี่ยเมื่อคุณเจอเหตุการณ์อะไรก็ตามที่ไม่พึงปรารถนาเนี่ยแทนที่เราจะไปต่อสู้ขัดขืนเรายอมรับมันหรือเป็นกลางกับมันอย่างน้อยๆมันช่วยทําให้เรามีความทุกข์น้อยลงไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นของหายไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นงานหนักหรือไม่ว่าสิ่งนั้นจะเป็นความเจ็บความป่วย เมื่อเราคุณจะคุณป่วยแล้วคุณบน่นคุณตีโพยตีพายเนี่ยคุณทุกข์กว่าเดิมนะฮะแต่ถ้าคุณยอมรับมันว่าเมื่อป่วยแล้วมันเกิดขึ้นแล้วจะให้ไม่ให้มันจะย้อนเวลาไม่ให้มันป่วยเป็นไปไม่ได้สิ่งที่เราทําก็คือว่าเมื่อเราป่วยแล้วแทนที่เราจะบน่นตีโพยตีพายเราเอาเอาความคิดมาพิจารณาว่าจะแก้มันจัดการกับมันอย่างไรดีกว่าการยอมรับไม่ใช่แปลว่าการยอมจำนน แต่การยอมรับก็คือการยอรับว่มันคือความจริงที่เกิดขึ้นแล้วเสื้อป่วยการที่จะไปบน่นตีโพยตีพายโวยวายนะเนี่ยคือการที่เราจะยอนรับความจริงได้เนี่ยก็ต้องมีสติรู้ทันเพราะปฏิกิริยาแรกของใจคือมันบน่นมันโวยวายมันต่อสู้มันขัดขืนมันผลักไสอย่างที่อาจารย์มาได้เคยพูดเมื่อคราวที่แล้วว่าความสึกผลักไสเนี่ย มันเกิดขึ้นบ่อยเลยเพราะเวลาเราจเจอประสบสิ่งที่ไม่พึงปรารถนามันจะต่อมันจะผลักไสเป็นอย่างแรกถ้ามันหนีไม่ได้มันจะผลักไสแต่ถ้ า, ามีสติรู้เรารู้อาการอย่างนั้นเราวางนะมาช่วยทําให้เราสงบเพราะความสงบเกิดขึ้นได้จากการยอมรับแต่ถ้าเราดิน้นจิตเราดิ้นเมื่อไหร่เนี่ยมันก็จะทุกทันทีแต่ว่าการที่เราจะยอมรับได้เนี่ยส่วนหนึ่งเนี่ย มันก็ต้องมีสตินะเนี่จะมาพูดถึงการรู้ใจในขั้นแรกนะฮะคือการรู้เอารงความรู้สึกนึกคิดของเรารู้แล้วปล่อยวางสิ่งที่เป็นอดีตกับอนาคตหรือยอมรับกับสิ่งที่เป็นปัจจุบันข้างหน้าที่กำลังเผชิญอยู่ข้างหน้านะอดีตอนาคตผ่านไปแล้วเสียป่วยการที่จะปล่อยวป่ ย, ปยการที่จะคุ้นคิดถึงมันแต่ปัจจุบันเกิดขึ้นแล้ว จะไปผักไสมันทำไมแล้วก็ยอมรับมันตามที่เป็นจริงข้นี่การรู้ใจประการต่อมาคือการรู้รู้วิธีคิดของเราซึ่ง ค, คล้ายคกับอันแรกแต่ต่ำ ม, มาอยากจะพูดมาจอดจงหน่อยคือการรู้วิธีคิดวิธีคิดที่เกิดขึ้นกับคนส่วนใหญ่คือการโดยเพราะเวลาเจอสิ่งที่ไม่พึงปรารถนาคือการมองอะไรแต่อะไรในเชิงลบแลวคนเราเดี๋ยวนี้มองในเชิงลบเยอะ ไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณแม่จะเป็นสิ่งที่ดีๆแต่คุณมองไม่เห็นเพราะคุณต้องจะเห็นแต่สิ่งที่มันเป็นลบเวลานี้มีเคยมีคนไปสอบถามคนที่รูปร่างหน้าตาดีนะอันนี้เกิดขึ้นในประเทศแคานาดาสอบถามสองรกว่าคนคนที่รูปร่างหน้าตาดีในสายตาของคนที่ไปสัมภาษณ์ไปวิจัยปรกากฏไม่มีสักคนเลยที่ไม่พอใจรูปร่างของตัวเอง เพราะมันคอยจะเห็นสิ่งที่ไม่ดีไม่สวยไม่สมไม่สมบูรณ์แบบไม่เพอร์เฟกแลคนอย่างนี้เป็นมากนะฮะไม่ว่าคุณจะมีรูปร่างหน้าตาดีเท่าไหร่คุณจะรู้สึกทุกข์อยู่เสมอเพียงเพราะมีสื่อเพราะผมแห้งผิวแตกปลายว่าผิวแห้งผมแตกปลายนะหรือว่าวงแขนมันคล้ำอะไรเงี้ยนะไปจออยู่ตรงนั้นนะฮะและสังคมก็การโฆษณาชวนเชื่อทาให้เรานี่คอยจดจ่อยตัวตรงนั้น เันคุณมีเท่าไหร่คุณไม่เคยพอใจเพราะคุณจะมองสิ่งที่คุณไม่มีอยู่ตลอดเวลาถ้านั้นที่คุณมีสิ่งดีๆอยู่เยอะถ้าคนเราเวลานี้ทุกเพราะไปจดจ่อกับสิ่งที่ยังไม่มีนะฮะหรือไปทุกข์กับสิ่งที่เคยมีแต่หายไปคนมีเงินเป็นล้านเท่าไหร่เนี่ยก็ยังทุกเวลาเงินสามสี่พันหายคุณงมีเงินเป็นล้านแต่ทําไมคุณไปทุกข์กับไอ้สามสี่พันที่มันหายไป เพราใจไปจดจ่อเหยียดสิ่งที่มันหายไปสิ่งที่มันเคยมีแต่มันไม่มีแต่เราไม่ได้ใส่ถ้าเราใส่ใจกับสิ่งที่เรามีนะเราจะทุกน้อยลงคนเวลานี้ทุกกับการไปใส่ใจกับสิ่งที่ไม่มีสิ่งที่ยังไม่มีหรือสิ่งที่เคยมีแต่หายไปทั้งทั้งที่สิ่งที่ตัวเองมีอยู่เต็มบ้านเนี่ยเรามีอยู่เต็มบ้านแต่ไม่ได้ใช้นะฮะแต่ไปทุกกับเรามีแหวนเรามีเพชรเรามีทองอยู่เต็มบ้านหรือเต็มกล่อง แต่เราไม่มีความสุขเพราะเราไปอยากได้ชิ้นที่คนหนึ่งเขามีกันแต่เราไม่มีอันนี้อรตมาถือว่าเป็นการมองในเชิงลบเหมือนกันนะฮะคือเชิงลบในความในความหมายที่ว่าคุณไปสนใจนะไปจดจ่ออยู่กับสิ่งที่คุณยังไม่มีหรือเคยมีแต่หายไปหรือสิ่งที่อาจจะไม่เปอร์เฟกนะและตรงนี้ทำให้เราไม่สามารถจะพอใจในสิ่งที่เรามีได้เลยเพราะเราไม่เคยใส่ใจ อาจมาเคยยกตัวอย่างชอบยกตัวอย่างว่าครูคนหนึ่งนะนี่ประเทศเกิดที่ในแอฟริกาแกก็เอากระดาษแผ่นหนึงไปให้นักเรียนดูแล้วก็มีการกรบาทอยู่ทางขวามือนะถามว่านักเรียนเห็นอะไรนักเรียนทั้งห้องบอกว่าเห็นการกรบาทครับครูก็เลยถามว่าแล้วเธอไม่เห็นสีขาวเลยเหรอมันสีขาวขกระดาษเลยเหรอคนที่ไม่พอใจในรูปร่างของตัวเองเนี่ยคืออันนี้เลยนะฮะคือเห็นสนใจแด่การกรบาทตรงนั้นแหละ แต่ไม่เคยสนไม่มองผ่านไปเลยไอ้ชีขาวของกระดาษนี่คือความหมายหนึ่งของการมองในแง่ลบคือคุณสนใจแต่ไอ้สิ่งที่มันเป็นลบโดยที่ไม่ได้สนใจว่าสิ่งที่เป็นบวกที่คุณมีเนี่ยมันมีแค่ไหนแล้วตรงนี้ต้องอาศัายสตินะเพราะถ้าไม่มีสติเนี่ยมันก็จะมันก็จะหลุดไปมองไปในแต่ในแในง่นั้นแง่เดียวตลอดเวลาในเชิงลบตลอดเวลาไม่ว่าจะมีมากเท่าไหร่ก็ไม่เคยพอใจเพราะรู้สึกตลอดเวลาว่า ฉันยังไม่มีอันนี้ฉันยังไม่มีอันนั้นอันนี้คือสิ่งหนึ่งที่ทำให้คนเราทุกข์มากแม้คุณจะได้อะไรมาเท่าไหร่คุณก็ยังทุกข์อยู่เพราะคุณรู้สึกว่าคุณที่คุณได้มานั้นมันน้อยกว่าคนอื่นคุณได้โบนัสสองแสนสามสก็ตามคุณก็ยังทุกข์เมื่อคุณรู้ว่าคนหนึ่งเขาได้มากกว่าคุณถึงคุณถูกหวยคุณก็ยังทุกข์ เมื่อคุณรู้ว่าคนหนึงเขาถูกและแทงได้มากกว่าอย่างที่ชาวบ้านที่บ้าตมาเนี่ยเขาแทงหวยแทงสบาบาทได้หร้อตีแรกดีใจนะมาคุ ย, ยถูกถวยได้ 600. ไหกร้อนะแต่พอรู้ว่าเพื่อนก็ได้สองพันฮะแทงตัวเดียวกันก็แทงมากกว่าแกซึมเลยฮะไม่น่าเลยน่าจะแทงมากกว่านี้ไปนั่นเลยนะคือแทนที่เราจะ พอใจในสิ่งที่เรามีเราได้มาฟรีๆนะแต่เราไปสนใจสิ่งที่เรายังไม่มีหรือสิ่งที่คนหนึ่งเขามีแต่เรายังไม่ได้มาคุณได้เท่าไหร่คุณก็ทุกนะถ้าคุณมองในเชิงลบแบบนี้แต่ถ้าคุณมองในเชิงบวกเนี่ยเออใครเขจะได้เท่าไหร่ก็ช่างเขาแต่ฉันได้เท่านี้ฉันก็ดีความสุขแล้วเพราะว่าไม่ได้ไไดทําอะไรเลยก็ได้มาหกร้อยนะนเพราะฉะนั้นเนี่ยนี่คือ น, นี่คือ วิธีมองของคนเราซึ่งเป็นกับคนส่วนใหญ่มากนะแล้วถ้าเรารู้ทันเนี่ยเราก็จะเริ่มมองอะไรมันเชิงบวกมากขึ้นแทนที่เราจะมองแต่กระ บ, บ, บาแเราก็จะหันมามองสแกนมารับรู้ถึงสิ่งดีๆที่มันมีคือสีขาวกระดาษบ้างแทนที่เราจะไปจดจ่ออยู่กับไอ้สิวไม่กินเม็ดหรือว่ า, าผิวแห้งผมแตกปลายเราก็จะไปหันไปมองส่วนอื่นที่มันดีๆบ้าง หรือว่าเราทํางานเรารู้สึกว่าแย่หรือเกินงานไม่ดีแทนที่เราจะทุกเพราะไปเห็นแต่ส่วนที่ไม่ดีเราลองมองว่าเออเราทําอะไรที่ดีบ้างแล้วเราควรทําเช่นนี้กับลูกของเราไม่ใช่เห็นว่าลูกของเราเนี่ยห่วยไม่ได้เรื่องนะไม่เหมือนลูกคนอื่นเขาเลยนะแล้วเราไม่พอใจลูกของเราทั้งที่ลวงเรานี่มีดีแั้วหลายอย่างแต่เรามองไม่เห็นฮะเพราะเรามองแต่ในเชิงลบ เห็นแต่ความไม่ดีของเขาเห็นแต่ความไม่เพอร์เฟกต์ของเขาอาตมาเราคิดว่าถ้าเรายอมรับนะว่าชีวิตนี้มันไม่เพอร์เฟกต์นะหรือถ้าเรายอมรับว่าเออไ อ, อส่วนดีๆมันก็มีนะเราก็จะพอใจกับชีวิตของเราแล้วก็พอใจในสิ่งที่เรามีผู้ผู้ชนนี้ไม่ได้บอกครับว่าไม่ต้องไม่ต้องปรับปรุงไม่ต้องพัฒนาเราก็ทําไปให้มันดียิ่งขึ้นแต่ไม่ใช่ทําด้วยความรู้สึกลบกับสิ่งที่เรามี ความรู้สึกลบกับสิ่งที่เรามีก็เลยดิ้นรนเพื่อจะให้มันมีมากขึ้นเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เป็นอกุศลเป็นแรงจูงใจที่เป็นอกุศลทําไมเราไม่ใช้แรงจูงใจที่เป็นทางบวกว่าเออมันดีอยู่แล้วแต่ทำแต่ให้มันดียิ่งขึ้นนะไม่ใช่เพราะว่าไอ้ที่มีอยู่มันไม่ดีก็เลยอยากจะให้มันดีมันต่างกันฮะทําให้มันดียิ่งขึ้นสิ่งที่สิ่งที่มีเดิมเนี่ยดีอยู่แล้วแต่ทําให้มันดียิ่งขึ้นนะ ไม่ใช่มองว่าสิ่งที่เรามีมันแย่เพราะฉะนั้นฉันก็เลยอยกได้อะไรที่มันดีกว่านั้นหรืออะไรนึ่งที่มาทดแทนแรงจูงใจต่างกันนี่คือการรู้ใจอย่างที่2องที่อาจามาอยากจะเน้นและถ้าเรามองอะไรในเชิงบวกแบบนี้บ้างเนี่ยเราจะยอมรับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้มากขึ้นแม้สิ่งนั้นจะเป็นลบความเจ็บความป่วยความสูญเสียเงินหายเราก็จะเริ่มเห็นอะไรที่มันเป็นบวกจากเหตุการณ์เหล่านั้นบ้าง นะด้านหนึ่งเรามีสติรู้ทันนะว่าเรากำลังต่อสู้ขัดขืนผักใสบนโวยวายไม่ไม่ไว้ไม่ไว้อีกส่วนหนึ่งเราก็ใช้เราก็มองให้เห็นว่าเออมันมีดีอย่างไรบ้างป่วยก็ดีเหมือนกันนะได้พักได้อ่านนะหนังสือที่เราชอบที่ไม่เคยได้อ่านหรือป่วยก็เป็นเครื่องตื่นใจว่าสังขารมันไม่เที่ยงนะอย่าประมาทนะ ก็ทำให้เราเกิดความกระตือรือร้นที่จะไม่ปล่อยเวลาผ่านเลยไปเงินหายก็ดีนะฝึกให้เรารู้จักปล่อยวางนะตกงานก็ดีนะจะได้กลับไปอยู่บ้านดูแลพ่อแม่นะมีคนคิดอย่างนี้นะฮะคือเราก็จะยอมรับสิ่งต่างๆได้มากขึ้นเราก็จะวางใจเป็นกลางกับสิ่งต่างๆที่มันไม่น่าพึงปรารถนาได้มากขึ้นมันดีกว่าจะไปตีโพตีพยไปบนสอบเป็นช้ e ไม่ได้เออก็ดีนะ ก็จะได้มีเวลาพักผ่อนหรือจะได้ไปทบทวนชีวิตหรือไปได้ทำอะไรอื่นนะหรือไม่ก็เริ่มต้นใหม่ว่าเราวางแผนผิดพลาดนะเออเราได้กลับไปเริ่มต้นกันใหม่แลบวบ่นตีโพยตีพายมันได้อะไรทุกเปล่าเปล่าแล้วคนก็ข่าตัวตายเพราะความรู้สึกที่ต่อสู้ผักใสยไม่ยอมรับสิ่งนี้เกิดขึ้นว่ามันเป็นความจริงแล้วการมองให้เห็นอะไรในเชิงบวกเนี่ยมันช่วยทาให้เรายอมรับ กับสิ่งไม่พึงปรารถนาที่บังเกิดขึ้นกับชีวิตของเราได้ง่ายขึ้นและทำให้เราสามารถที่จะวางใจเป็นกลางกับสิ่งเหล่านี้ได้มากขึ้นแทนที่เราจะบ่นตีโพยตีพายเราเอาสมองเราเอาจิตจังเราไปนึกหาทางแก้ไขหรือาทางป้องกันจะดีกว่าใช่ไหมมันตีโพยตีพายเราได้อะไรความเครียดขึ้นความดันเพิ่มนะหน้าเศร้าหมอง ไม่มีใครอยากเข้ามาใกล้เราแล้วเราก็เสียเวลาในการเราก็ไม่มีโอกาสที่จะมานั่งพิจารณาว่าจะแก้ไขหรือป้องกันเหตุการณ์ครั้งต่อไปได้อย่างไรแต่ทันทีที่เรายอมรับมันได้เราเลิกบน่นเลิกติโพติพาเราก็รู้แล้วว่าเออสมองเราก็ว่างจิตใจเราก็พร้อมที่จะไปพิจารณาว่าเออมันป่วยแล้วจะแก้ไขดูแลรักษาความเจ็บความไข่ยอย่างไรหรือว่าจะป้องกันไม่ให้มันเกิดขึ้นได้อย่างไรคราวนี้ อันที่สามเนี่ยการรู้ใจเนี่ยนะซึ่งเป็นความหมายที่ซึ่งคือรู้ใจสองอันแรกเนี่ยมันจะทําให้คุณเนี่ยสงบได้ทําให้คุณนิทุกน้อยลงนะอย่างที่เราที่แตมาบอกคนเราทุกข์เพราะความคิดหงุดหงิดลาคาญแม้กระทั่งรถติด ก, ก็ไม่มีความสงบแต่พอเรารู้ใจรู้ท้อทันอารมณ์ความคิดเนี่ยเราวางได้พอเราวางได้ใจมันสงบแต่ว่าการรู้ใจในขั้นที่สามที่ละเอียดลงไปเนี่ย ก็คือการรู้ใจจนทั่งเห็นธรรมชาติของใจของเราตรงนี้มันไม่ใช่แค่สงบอย่างเดียวนะมันสว่างด้วยเพราะเกิดปัญญาคุณได้เห็นว่าคุณมีสติดูใจอยู่เรื่อยๆเนี่ยคุณก็จะได้เห็นว่าคุณก็จะเห็นมากขึ้นว่าใจของของเราเนี่ยมันเป็นอย่างไรเราได้เห็นธรรมชาติของจิตใจของเราเราได้เห็นจนถึงขั้นว่าเวลาเกิดความโกรธความเกลียดความเศร้าวความโศกขึ้นมาเนี่ย มันเป็นอันหนึ่งที่ไม่ใช่เราความโกรธไม่ใช่เราความเกลียดไม่ใช่เราความหงุดหงิดไม่ใช่เราแต่ถ้าไม่มีสติรู้นะฮะมันจะไปไปเอาไปยึดจะรู้สึกเสมอว่าฉันโกรธฉันเกลียดและเวลาฉันโกรธฉันเกลียดฉันก็ไม่รู้ตัวด้วยเวลาใครบอกว่าเธอโกรธนะใครบว่าฉันโกรธนะไม่โกรธไม่โกรธบอกเรื่องว่าไม่โกรธยไง โกรธเต็มเปล่าแต่ไม่บอกก็บอกเมื่อคนบอกว่าไม่บ้าฉันไม่บ้าเนี่ยคือเราไม่รู้ทันความโกรธนะและแม้แม้และเมื่อแต่ถ้าเรารู้ทันรู้ทันมาคือเราจะรู้ว่าไอโกรธนี่มันไม่ใช่เราเห็นกระทั่งว่าทุกเนี่ยมันไม่ใช่เราทุกเนี่ยมันเป็นเรื่องของกายและใจแต่ไม่ใช่เราเวลาคุณเดินทำอะไรเห น, นื่อยนะแดดร้อนเนี่ยคุณร้อนนะ คุหงุดหงิดแต่เมื่อมีสติรู้ทั้งความร้อนซึ่งเป็นเวทนาความหงุดหงิดซึ่งคองงือเรื่อจิตตสั ง, งาขารเนี่ยหรือเรียกภาษาง่ายคืออารมณ์เนี่ยพอรู้ทันเนี่ยทีแรกมันวางได้แต่ต่อไปรู้มากมาๆเข้มามาว่ม า, มาเขาก็จะเห็นได้ว่าไอ้ที่ร้อนไอ้ไอ้ที่ร้อนเนี่ยมันเป็นเรื่องกายร้อนไม่ใช่เราไอ้ที่หงุดหงิดเนี่ยมันเป็น มันก็เป็นเรื่องของจิตที่ไม่ใช่เราเห็นความหงุดหงิดว่ามันแยกออกห่างจากเรานะฮะมันไม่ใช่เราแล้วคราวนี้ก็จะเห็นมากขึ้นเรื่อยๆว่าไอ้ที่เคยคิดว่าเราทุกข์เราทุกข์เพราะอย่างโ น, น้นเพราะอย่างนี้เนี่ยมันไม่ใช่แล้วมันเริ่มมีการแยกออกว่ามันนี่คือกายทุกข์หรือใจทุกข์เวลาเหนื่อยนะเออกายมันเหนื่อยแต่ใจไม่เหนื่อยแต่ว่า มันเผลอใจเกิดเหนื่อยขึ้นมาก็รู้ทันว่าเออนั่นเป็นใจไม่ใช่เราคุณก็จะเห็นตรงนี้มากขึ้นและตัวตนที่จะไปรองรับเป็นเจ้าของความทุกเนี่ยมันก็จะค่อยหดค่อ ย, ห, อยหายไป ถ, ถ้าเราไม่รู้ใจนะฮะในความหมายที่ว่าเนี่ยเราก็จะรู้สึกเลยว่าฉันทุกข์ฉันทุกข์ฉันทุกข์แต่เมื่อรู้ใจ มีสติเห็นมันก็จะแยกได้ว่าไอ้ที่ทุกข์นั้นเนี่ยนะมันเป็นทุกข์กายก็มีแต่ไม่ใช่เราไอ้ที่หงุดหงิดนะเลี้ความหงุดหงิดเกิดขึ้นแต่ไม่ฉวยไปยึดว่ามันเป็นเราหงุดหงิดแล้วตรงนี้เนี่ยคุณก็จะไกลาจากความทุกข์ไปมากขึ้นมากขึ้นแต่ก่อนเนี่ยเวลา เกิดเวทนาเกิดทุกขเวทนาขึ้นหรือเกิดอารมณ์ต่างๆขึ้นเนี่ยมันตัวมันก็นกคุณไปเข้าไปอยู่ในกองไฟเลยแต่เมื่อมีสติรู้ดูใจสามารถที่จะเห็นได้ว่ากายก็อันหนึ่งจิตก็อันหนึ่งก็เหมือนกับว่าเวลาเกิดทุกขเวทนาขึ้นเนี่ยหรือเกิดอารมณ์ขึ้นเนี่ย แทนที่จะเข้าไปอยู่ในกองไฟเราก็ค่อยออกห่างจากมันไกลจากมันไกลจากมันขึ้นเรื่อยๆเวลาคุณอยู่ในกองไฟคุณร้อนใช่ไหมแต่เวลาคุณออกห่างจากมันเนี่ยมันก็จะร้อนน้อยลงร้อนน้อยลงเพราะความยึดมั่นถือมันว่าเป็นเราเป็นของเราเนี่ยมันลดลดน้อยถอยลงไปอาจารย์บุตรทายึเคยยึดเตียงง่ายๆว่าเวลาเวลามีดบาดนิ้วเนี่หรือว่าเรอนิ้วเนี่ยถูกบาดเนี่ยถ้าคุณมองว่ามีดบาด ฉันเนี่ยมันเจ็บนะแต่ถ้าคุณมองว่ามีดบาดนิ้วเนี่ยความรู้สึกต่างกันไอ้ที่เจ็บเนี่ยมันนิ้วเจ็บอันนี้พูดแบบภาษาง่ายๆนะที่เจ็บจริงๆนิ้วมันไม่รู้สึกแล้วฮะเวทตาเวทนาคือสิ่งที่จิต ร, รับรู้แต่ที่เจ็บเนี่ยคือนิ้วเจ็บนะแต่ว่าฉันไม่เจ็บด้วยหรือว่านิ้วเจ็บนะแต่ว่าเจ็่ไม่เจ็บด้วยเวลาร้อนเนี่ย มันร้อนกายแต่ใจไม่ร้อนนะมันเริ่มเห็นแยกออกมาได้แต่ถ้าไม่ถ้ามองไม่เห็นมันก็จะเข้าไปยึดว่าเป็นเราเป็นของเราอยู่เสมอเวลากายร้อนเนี่ยไม่ใช่กายร้อนเดียวเราก็ร้อนเวลากายปวดกายเมือ่อยไม่ใช่กายปวดกายเมื่อยเดียวเราก็ปวดเราก็เมือ่อยนะมันจะมีความรู้สึกเป็นเราตลอดเวลา แต่ถ้าคุณมีสติเห็นเนี่ยคุณก็จะเห็นได้ว่ามันคืออเวทนาที่เกิดขึ้นและใจไม่เข้าไปยึดว่ามันเป็นเราตรงนี้มันรู้ฮะมันรู้มันไม่ใช่ไม่ไม่ใช่แค่แบบมันไม่ใช่แค่วางเฉยแต่มันรู้เกิดปัญญาไม่ไม่ใช่สงบเฉยมันเกิดสว่างขึ้นมารู้ว่าทุกรู้ว่าไม่ใช่เราทุกข์แต่กายมันเป็นกายกายหรือจิตที่ทุกข์ไอตัวตัวตัวเราที่ไปเป็นเจ้าของความทุกข์เนี่ยมันก็ค่อยสละออกไปสละออกไป และตรงนี้เนี่ยมันก็จะช่วยทำให้ความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราของเราน้อยลงจนกระทั่งต่อไปก็จะเห็นว่าใจนี้ก็ไม่ใช่ของเราเราดูเรารู้ใจจนกระทั่งรู้ว่าใจนี้มันไม่อยู่ในอำนาจของเราเลยเราจะสั่งให้ใจใจสงบใจก็ไม่สงบเราจะสั่งให้ใจเป็นอย่างน้นก็ไม่ยอมเป็นไปตามใจเราอาการของจิตนี่ขึ้นลงกทิปฏิบัติทำบ่อยๆก็จะรู้ว่าบางวันดีบางวันไม่ดี และบังคับไม่ได้นะฮะก็จะเห็นว่ามันไม่ใช่ของเราจากความรู้สึกว่าทีแรกนี่มันไม่ใช่เราความทุกข์ไม่ใช่เราไม่ใช่เราทุกข์ก็จะเห็นต่อไปแม้กระทั่งว่ากจิตก็ไม่ใช่ของเราด้วยนภาปสาอะไรกักายซึ่งมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วกายไม่ใช่ของเรานี่เห็นง่ายแต่จิตไม่ใช่งเรานี่เห็นยากทั้งก็จะเห็นมากขึ้นว่าเราคุมอะไรไม่ได้มันเลยมันเป็นอนัตตาเราก็จะเริ่มปล่อยวางได้มากขึ้นปล่อยวางและปล่อยวางความยึดมั่นถือมันมาเป็นเราเป็นของเรา ไม่ใช่เฉพาะกับกายกับใจแม้กระทั่งกับสิ่งของภายนอกเราก็ยิ่งเห็นเช่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราแต่ถ้าเราเผลอไปอยึดว่ามันเป็นมันเป็นของเราเมื่อไหร่เราต่างหาที่กลายเป็นของมันไปทันทีเพชรโหอยู่ในกองไฟไม้ไฟไม้บ้านเพชรมันของเราของเรายึดติดว่าเป็นของเร า, อเรายอมไม่ได้ต้องวิ่งเข้าไปในกองไฟตายเพื่อมันตัวลมันเป็นของเราหรือเราเป็นของมัน กำงเดิอยู่ในซอยคนมาจี้เอาเงินเอากระเป๋ามายอมตายนะเพื่อรักษาเงินเอาไว้ตกลงเงินเป็นของเราเรินเราเป็นของเงินนะคือก็จะคือจะเห็นได้มากขึ้นเรื่อยๆเงี้ยมันก็จะปล่อยวางได้มากขึ้นเอาเ น, นี้ยคือการรู้ใจอย่างที่สามคือการรู้ประจักษ์แจ้งถึงธรรมชาติของใจว่ามันเป็นไตรรักษณ์ยังไงบ้างเป็นหรือจังทุกขังอนัตตาอย่างไรบ้าง ซึ่งก็ทําให้เราปล่อยวางได้มากขึ้นแล้วเราปล่อยวางเราไม่ใช่ปล่อยวางต่อสิ่งเรานั้นเราปล่อยวางแม้ทั้งความยึดมั่นถือมั่นในตัวเราในของเราซึ่งตรงนี้เนี่ยถ้ า, ถ, าถ้ายังไม่ได้ปฏิบัติก็ จ, จะอาจจะนึกไปนึกไปได้ได้ยากหน่อยแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าทํา2ข้อแรกอย่างที่จะมาว่าคือรู้ใจในว่ารู้ใจในเนี่ยความรู้สึกนึกคิดที่เกิดขึ้นรู้ทันมาแล้วปล่อยได้โดยเฉพาะที่เป็นเรื่องอดีตกับอนาคต รู้ใจจนทั้งสามารถที่จะยอมรับทุกอย่างที่เกิดขึ้นกับเราในขณะนี้ในปัจจุบันได้ไม่ต่อสู้ไม่ดิหลน์นไม่ขัดขืนไม่บน่นไม่ตีโพตีภายรวมทั้งรู้ใจว่าใจเราเนี่ยมันชอบคิดไปมองในเชิงลบก็ค่อยๆตรอมให้มันมองอะไรที่เป็นบวกบ้างนะก็จะทำให้เรามีความสุขมากขึ้นแต่ว่ายังไม่ยังทั้งหมดนี้ยังไม่ทำให้เรา กายจะความทุกข์ได้จนกว่าเราจะรู้ใจในความหมายที่สคือเห็นธรรมชาติของจิตที่จริงมันมันมันทั้งหมดนะคือสังขารทั้งหมดนะคือทั้งกายและใจหรือที่ก็รูปและนามหรือขันทั้ง5้าว่ามันเป็นไตรลักษณ์ว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราอย่างไรบ้างอย่างน้อยให้เห็นว่าเมื่อทุกข์เกิดขึ้นเมื่อเศร้าความเศร้าเกิดขึ้นเมื่อความเครียดเกิดขึ้นเนี่ยคุณรู้ว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่มันไม่ใช่คุณเศร้า แต่มันคือความเศร้าที่เกิดขึ้นในใจต่างกันนะฮะฉันเศร้ากับความเศร้าความหลงความคิดสําคัญที่ว่าฉันเศร้ากับความเห็นว่าความเศร้าเกิดขึ้นในใจฉันต่างกันและสิ่งที่คุณทําได้ตลอดเวลาในชีวิตประจําวันนะคุณเครียดคุณเบื่อคุณเซงคุณยินดีคุณเห็นมันเห็นเห็นเห็นอยู่เรื่อยๆแล้วคุณก็จะรู้ว่ามันไม่ใช่คุณที่เครียดที่เศร้าแต่มันคืออาการของใจที่เกิดขึ้น ครั้งแล้วครั้งเล่าโดยที่ไม่ได้อยู่ในอำนาจความควบคุมของคุณและทีละน้อยทีลน้อยคุณก็จะปล่อยวางไม่ยึดมั่นถือมากว่ามันเป็นคุณได้และทีนี้คุณก็จะยอมรับมันได้นะเวลาเราเกิดความโกรธขึ้นมาเวลาเกิดความเศร้าขึ้นมาเนี่ยพอรู้ตัวมันก็จะผลักไสพยายามกำจัดพยายามกดไม่ให้มันมีเวลาคุณโกรธคุณพยายามกดความโกรธไว้เวลาคุณเศร้าคุณพยายามกดความเศร้าไว้แต่เมื่อคุณมีสติคุณก็จะเริ่มวางใจเป็นกลางได้กับมันนะ ขณะนี้ความการวางใจเป็นกลางนี่คุณก็จะกวางใจเป็นกลางในรายละเอียดขึ้นที่แรกให้วางใจเป็นกลางกับสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นกับคุณไม่ว่าบวกหรือลบเจ็บป่วยของหายคุณยอมรับวางใจเป็นกลางได้ไม่ดิน้นรนไม่ต่อสู้ไม่ขัดขืนไม่ปฏิเสธและต่อมาคุณจะเริ่มวางใจเป็นกลางในสิ่งที่ละเอียดขึ้นคือมันเกิดขึ้นในใจอารมณ์อกุศลที่เกิดขึ้นในใจคุณวางใจเป็นกลางได้ไม่ดิ้นรนไม่ต่อสู้ไม่ผักสายมันเห็นมันไม่รังเกียจมัน แต่ก็ไม่ได้หลงตามมันถ้าคุณทํำทำได้คุณวางใจเป็นกลางต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นได้คุณก็จะวางใจต่อรูปรสกลิ่นเสียงสัมผัสที่เกิดขึ้นไม่ยินดีรับไปกับนันที่เรียกว่าอินเสียสังวรอินเสียสังวรคือไม่ใช่หมายถึงว่าการไม่เห็นไม่รับรู้ไม่ได้ยินนะฮะแต่หมายถึงว่าคุณเห็นคุณได้ยินอะไรก็ตามเนี่ยไม่ว่าบุกรุบใจคุณไม่ยินดีไม่ยินรับไปกับมันนี่คือการวางใจเป็นกลางต่อผัสสะที่เกิดขึ้นดังนั้นทีละน้อยทีละน้อยเนี่ยถ้าคุณเร หรือพ่อที่เป็นในเชิงลบแล้วคุณมีสติรู้มันคุณก็จะวางใจเป็นกลางต่ออารมณ์ที่เกิดขึ้นได้แล้วคุณต่อไปคุณก็จะวางใจเป็นกลางต่อต่อต่อผัสสะไม่ว่าที่จะมาทางตาคุณจมูกลิ้นกายแล้วชีวิตคุณก็คือเป็นปกติมากขึ้นแล้วนี่คือความหมายความไร้ทุกอันหนึ่งนะฮะแต่ถ้าคุณรู้ใจจนนั่งไปถึงขั้นว่าเห็นว่าขันตั้งห้าหรือรูปและนานนั้นเนี่ยมันไม่ใช่คุณไม่ใช่มันไม่ใช่ตัวเราคุณ ไม่ยึดไม่สลัดความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งต่างๆว่าเป็นคุณเป็นของคุณได้เนี่ยโดยเพราะจิตนะซึ่งมันคือตัวที่จะสําคัญให้เราคิดว่าเนี่ยจิตก็คือเราถ้าสัตว์วางใจมันได้หมายถึงว่าถ้าเราปล่อยวางว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราจนถึงจุดที่ว่าพบว่าตัวเราไม่มีเนี่ยตัวกูไม่มีเนี่ยมันคือความอิสระอย่างสิ้นเชิงจากทุกและนี่แหละที่ ทาพระพุทธศาสนาเรียกวั น, นิพานทั้งหมดนี้เกิดขึ้นจากการรู้ใจนะฮะเพราะฉะนั้นอยากให้ชักชวนให้เรารู้ใจมากๆเพื่อที่เราจะได้ไรายทุกข์หรือไกลทุกข์อัตมาก็ใช้เวลาพอสมควรนะฮะก็คิดว่าได้ได้เวลาแล้วก็คงยุติการบรรยายได้เพียงเท่านี้